ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรามีความเบิกบา น, น, เบนเดินเลื่นบันเทิงในจิตใจได้เพราะว่าธรรมของพระองค์เนี่ยมันมาออกมาจากพระทยที่บริสุทธิ์ทีนี้พอเราปฏิบัติเราเดินตามทางที่พระองค์ ประทานเอาไว้ให้มันตรงขึ้นมาเนี่ยจิตของเรามันก็ออกเป็นหับได้ออกเป็นหับรู้มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วมันก็มีผลต่อจิตใจของเราเพราะเราเห็นผลจากการที่เราปฏิบัติตามพระองค์แล้วมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น จิตใจของเราเนี่ยที่มันเคยมีปัญหามันเคยมีความทุกข์มันเคยมีความว้าวุ่นขุนมัวไอ้ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆมันลดลงไปมันเบาลงไปเราก็เลยเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสอนของพระองค์ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงธรรมที่มี คุณมากต่อผู้ปฏิบัติต่อสาวกของพระองค์หรือว่ามีอุปการะมากทมที่มีอุปการะมากอย่างหนึ่งเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเราได้ยินชื่อบ่อยๆแต่ว่าเรายัง ไม่ได้ทำความเข้าใจให้มันเกิดประโยชน์เพื่อเอามาปฏิบัติให้มันเกิดผลต่อการปฏิบัติจิตของเราให้มันมีความเจริญก้าวหน้าที่จริงมันก็รวมอยู่ในการปฏิบัติของเราอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกแยะให้มันละเอียด เอามามองดูว่าธรรมะประเภทนี้เราจะเอามาปรับปรุงเอามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราได้อย่างไรคำว่าโยนิโสมนสิกาเนี่ยความหมายของมันโยนิโสนี่ถ้าแปลแบบ แบบตามที่ความหมายที่เขาใช้กันเป็นทางการกร เ, เรียกแยกคายหรือว่าถูกต้องมณสิกาหนหมายว่าใส่ใจเอาใจใส่เอามาคิดนึกเอามาไว้ในใจมณสิการะเอาใจใส่ใส่ใจ ทำมาไว้ในใจอันนี้เราเอาความหมายเป็นหลักทีนี้ถ้าอายุนิสโสมานสิการก็หมายความว่าใส่ใจถูกต้องหรือคิดอย่างมีอุบายอย่างมีแยกขายหรือว่ามีแยกขายในใจิตใจมีอุบายแยกขายในใจิตใจอย่างเวลาเรา เราเจอปัญหาเจอปัญหาเอา้าคนเขาว่าเราอย่างนี้ปับ๊บเพอพอเราถูกว่าปับ๊บใจเรามันก็วูบวาบขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าเราเรามีอยู่นิสสมนสิการเราก็อาจจะคิดว่าเออเขามีปากเขาก็พูดไป เราไม่รับเข้ามามันก็ไม่เป็นอะไรเขามีจิตใจเขามีความรู้สึกนึกคิดเขาอยากพูดก็พูดไปแต่เราเรามีหน้าที่รักษาจิตของเราคือเราไม่ไปทุกข์กับมันหรือว่าเออเสียงเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปมันดับไปแล้วมันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไปเป็นอดีตไปเนี่ถ้าหาว่าเรามีแยบคายเนี่ยจิตของเราจะไม่ทุกข์หรือว่าเขาพูดแล้วถ้ามันจริงเออเราจะแก้ไขตัวเองดีละที่มีคนมาชี้นำมาพูดเอาความบกพร่องของเราเอาเรื่องราวของเรามาพูดเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่เขาพูดไปมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาทํากรรมอะไรไว้ก็เป็นเรื่องของเขานี่ก็เป็นแยกขายเป็นโยนิโสมนสิการหรือว่าโอ้เราเคยว่าเขาเขาก็ว่าเราใจเราก็ไม่ทุกข์มากหรือดีแล้วเราจะเอาประโยชน์จากสิ่งนี้ เป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเราเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันสามารถสอนตัวเองได้ไหมมันสามารถแก้จิตตัวเองได้ไหมมันสามารถเอาธรรมะมาอบรมจิตตัวเองได้ไหมนี่ก็เป็นโยนิโสมนสิการแต่พอเขาว่าเราปับเนี่ย โอโหแย่ oh, yeah, แล้วเสียหน้าเสียเหลี่ยมอับอายอย่างนี้เป็นอยโยนิโสมนสิการคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็คิดไปว่าเออคนนั้นเขาก็ได้ยินเขาก็ต้องว่าเราไม่ดีแน่ๆเลยเขาต้องเชื่อคนนั้นแล้วละ่ะ นี่คือคิดแบบอะโยนิโสมนสิการคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์เสร็จแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านบอกว่ามันสามารถที่จะเอามาทำให้มีอุปการะต่อการปฏิบัติของเราต่อจิตใจของเราจนสามารถดับทุกข์ได้ เรียวตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มีโยู่ใโสมนัสิการต้นๆบรรเทาความทุกข์บรรเทาปัญหาบรรเทากิเลสบรรเทาไม่ให้เรื่องราวต่างๆมันลุกลามไปไมใ่ให้เรื่องราวต่างๆมันกุมลงจิตใจหรือว่าคิดเพื่อที่จะประหารกิเลส คิดเพื่อจะดับอวิชชาเพื่อจะตัดความรุ่มหลงภายในจิตใจของเราก็ได้ยีโยนิโยนิโซมนานสิการมันเป็นเรื่องของปัญญามันจึงมีความสำคัญมีคุณมากคือมีอุปการะมากต่อการจิตใจของเราอย่างถ้าเราเห็นคนตายอย่างนี้ ถาเราคิดได้ว่าเออคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายไม่มีถึงจะเป็นใครก็ตามอย่างนี้เป็นโยนิโสมนสิกาแต่ถ้ามีคนตายเราไม่อยากให้เขาตายทำไมเขาต้องตายแล้วเราจะอยู่กับใครอย่างนี้เป็นอัโยนิโสมนสิกาคิดแล้วเราเป็นทุกข์คิดแล้วเราเดือดร้อนคิดแล้วเรา เศร้าสอยหงอยเหงาอ้างว้างว้าเวีเนี่ยเรื่องเดียวกันถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วได้ประโยชน์ทำให้จิตใจเนี่ยมีกำลังมีเห็นคนตายปั๊บโอ้คนไม่ตายไม่มีต่อไปเราก็ต้องตายแล้วก็พอใจขึ้นมาว่าเราเนี่ยคิดได้ เรานี่มีธรรมะขึ้นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราเบิกบานขึ้นมามีปีติขึ้นมาใจก็น้อมไปทางสงบมีความสุขขึ้นในใจเนี่ยถ้าคิดเป็นเนี่ยแทนที่จะไปตีโพยตีพายเรียกร้องความเห็นใจว่าตายแล้ว เราจะอยู่กับใครเคยอยู่ด้วยกันมานานเหลือเกินจนเหมือนกับว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นที่พึ่งซึ่มกันอะกันแล้วแล้วมาด่วนจากไปอย่างเนี้ยเราแย่แน่แเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงนี่คือมันคิดไปไอความคิดเนี่ยมันก็เลยมาบั่นทอน จ, จิตใจ ทำให้จิตใจเนี่ยเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนหมดกําลังใจหมดเลี้ยวหมดแรงนี่อะโยนิโสมานสิการเป็นอย่างนี้เหมือนกับจะเป็นจริงเป็นจังตามที่ตัวเองคิดด้วยเวลามันคิดแบบอะโยนิโสมานสิการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแต่ถ้าคิดแบบโยนิโสมานสิการ มันก็คิดได้เออเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วตายก็สมมติว่าตายด้วยจิตเขาตายไม่เป็นเขาไปเกิดนี่คิดอย่างโยนิโสมานั่สิการนะเออต่อไปมันจะคิวเราบ้างถึงเวลาเราก็ต้องตายถ้าจิตเราดีเราก็ต้องไปดีไม่เห็นเป็นไรเลยสร้างความดีมากๆปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากๆ พระพุทธเจ้าสอนอะไรเราพยายามทำตามเราก็มีธรรมของพระเจ้าเป็นที่พึ่งมีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีเชื่อมั่นในความดีที่เราทำจิตของเราเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีทุกข์สบายๆไปเมื่อไรก็ไปเราก็ทำเต็มที่แล้วนะยิ่งถ้าหาว่าจิตปฏิบัติธรรมจงกระทั่งมันบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ แม้แต่เป็นแค่พระโสดาบันเนี่ยเสขบุคคลเนี่ยพารยาบุคคลเบื้องตนเกดีก็ไม่เกินเจ็ดชาติรู้เลยว่าเออเราไม่ลงอบายภูมิแล้วจิตใจเราปฏิบัติมาขนาดนี้ยเรื่องปรุงแต่งน้อยลงไปแล้วความทุกข์น้อยลงไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็น้อยลงไปด้วยคือมันเห็นในจิตนะมันสามารถพูดได้คือเพราะเห็นจิตตัวเองอเพราะเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆมันลดลงไปแล้วมันน้อยลงไปแล้ว มันก็กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำมันก็ไม่กลัวตา ย, ลยแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็มากแล้วเออกาย ม, ม, มันมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราจริงมันเป็นเราชั่วคราวเยอะๆมันก็คลายออกหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วมันก็เลยไม่ทุกข์ เนี่ยทุกข์ก็น้อยนี่มันมีโยนิสงมาในสิการ์เรียว่าคิดเป็นกันนะคิดเป็นเนี่ยคิดเป็นก็ ค, ค, ค, คือคิดมาให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดยังมีเหตุผลมันมีเหตุผลเข้าประกอบมีธรรมะประกอบสอดคล้องกับความจริงสอดคล้องกับสัจธรรมพรอัเป็นเรื่องจริงเป็นของจริง ไอ้เรามีแต่จะไปเอาของปลอมเอาของหลอกลวงเอามาไว้ในใจตัวเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นทุกข์อยู่ทุกวันก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้าหากว่ามีโยนิโสมาในสิการก็อ๋อนี่นะที่ท่านว่าความเจ็บความไข้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ย คนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้โอ้เราตอนนี้ก็เจ็บป่ยยวยไข้แล้วยาจะทํายังไงดีเนี่ยใจมันดีใจมันสบายอยู่ก็หาวิธีแก้ไขได้โดยไม่ต้องไปทุกข์มากทุกข์ให้มันทุกข์เฉพาะร่างกายนี่ก็เรียกว่ามีอยู่ในโสมนสิการแต่ถ้าหาว่ามันเจ็บมันป่วยขึ้นมาตายแล้วเกิดเราเป็นหนักกว่านี้เราเดินไม่ได้ ใครจะมาดูแลเราทุกขึ้นมาอีกแล้วหรือว่าคิดไปไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากไข้อยากแต่หายอย่างเดียวกลัวว่ามันจะไม่หายกังวลว่ามันจะไม่หายคิดไปในทางทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเขาเอาเปรียบเราเขาว่าเราเขาทำร้ายเรา เขามีเจตนาไม่ดีต่อเราแต่เราคิดอย่างมีโยนิโสมนสิการก็เอาละเครื่องตรวสอบมาแล้วแต่เราจะทำให้ถูกต้องเราจะทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่อของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างนี้เป็นโยนิโสมนสิการทันทีเลย แต่ถ้ากลัวกังวลหวั่นไหวตายแน่ปุงแต่งไปอย่างงน้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นี่มีโยนิโสมยโยนิโสมมนสิการเนี่ยมันทำให้เราได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็สามารถที่จะมีสติรักษาจิตใจเราได้ดีด้วย ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องดูความคิดของเราว่ามันมันคิดแบบโยนิโสมนสิการไหมคิดอย่างมีเหตุมีผลไหมสอดคล้องกับสัจธรรมไหมทำให้กุศลมันจเจริญไหมทำให้กิเลสทันหามันเบาบางลงไปไหมทำให้จิตใจเราจเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมนี่เป็นโยนิโสมานสิการ ถ้าอโยนิโซมนสิการแล้วก็ตรงกันข้ามเลยนะมีแต่จะเป็นทุกข์มีแต่จะเศร้าหมองอกุศลเจริญจิตมีแต่เสื่อมถอยลงไปทีนี้เวลามันมีปัญหาอย่างคนตายอย่างเนี้ยหรือว่าเราถูกตำหนิถูกว่าถูกเขากั่นแกล้งพอเราคิดจิตได้เราคิดแบบโยนิโซมนสิการ คิดใส่ใจอย่างมีแยบคายคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่โดดไปโดดมาอย่างนี้ไม่ใช่โยนิโซมานสิกาตมันต้องคิดคิดต่อเนื่องคิดเป็นระบบอบบคิดเป็นระบบคิดจบได้เรื่องได้ราวเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น แล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยคลายออกจากทุกข์ครั้งไม่ปัญหาลดลงไปกุศลจเจริญขึ้นตอนตอน้ตนๆก็ทำให้จิตเราสงบคือมันมันพอมันคิดได้ปั๊บเนี่ยใจเราก็จะมีปราโมทขึ้นมาเขาเรียกว่าคือปราโมทเนี่ยมันมันลื่นเริงบันเทิงใน ใ, นใจเบิกบานใน ใ, นใจมันสบายใจ แต่ว่ามันยังหยาบกว่าปีติท่านว่าปีตินี่มันอิ่มทราบซาไปถึงร่างกายปาโมดนี่มันมันหยาบกว่าเขาเลยแบ่งว่าเออปาโมดเกิดปาโมดลื่นเลิงบันเทิงเบิกบานถ้าปีติแล้วก็อิ่มขึ้นมาในใจซาไปทั่วร่างกายเเลยอิมอิ่มใจมีปีติพอมันอิ่มใจอะเนี่ย ใจของเรามันก็ละเอียดลงไปมันสบายแล้วมันละเอียดลงไปมันก็เป็นความสงบเปลี่ยนเป็นความสงบสงบกายสงบใจเนี่ยคือมันละเอียดกว่าไอ้พวกปีติเนี่ยเป็นลำดำับพอมันสงบแล้วทีนี้มันก็มีความสุขคราวนี้พูดไปตามความละเอียดสุขกายสุขใจแล้วจิตใจ ก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี ย, ยนิโสมานสิกามันมีประโยชน์พอมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติเนี่ยสติสัมปชัญญะเราก็จะดีคือมีสติมีปัญญาเกิดขึ้ น, นมันก็คือไปพร้อมกันนั่นแหละก็คือสติปัญญาพวกนี้ก็คือใส่ใจถูกต้องนั่นแหละมันก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่ง เป็นโยนิโสมนสิการทีนี้โยมโนโยนิโสมนัสิการในขณะปฏิบัติขั้นละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นการพิจารณาความจริงนั่นเองอย่างมันเห็นมันเห็นความคิดเออความคิดเนี่ยพอมันเห็นปั๊บมันก็รู้เอออันนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรานะเนี่ยนี่เรียกว่านี่ ม, มีโยนิโสมนสิการเหมือนกัน ก็คือฝ่ายปัญญาพอเห็นมันดับไปอา้าวเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เรา อ, อันนี้มันเป็นปัญญาเหมือนกันนี่สอดคล้องกับสัจธรรมหรือบางทีก็นึกไปถึงว่าเออไอความคิดมันมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรมีเรื่องอะไรนั้นเนี่ยมันทําให้คิดเพราะเรื่องพอดีเราไปคุยกับคนนั้นเนี่ยนี่มันตามแล้วเนี่ยตามแล้ว สติมันมีสติเดียว่ามีสติและลึกขึ้นมาได้ตามไปดูเราพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้ น, นแล้วมันก็เลยสะกิดใจเรามันมีผลต่อใจเราแล้วเราก็เลยมาคิดถ้าหาว่าเราอยากไม่อยากคิดเรื่องเนี้ยไม่อยากให้มันคิดซ้าๆจักๆ เราก็ตรวจดูว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้สรุปว่ายัางไงดีเอาอยัางไงดีเรื่องนี้ถ้ากำลังมันสติสัมปชัญญะเราดีเนี่ยมันมันเราสามารถที่จะตอบกับตัวเองได้ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบนี้นี่คือในขณะที่จิตมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่มันก็เลยสามารถสรุปสรุปได้ ว่าเรื่องต่างๆนี้ควรทำยังไงกับเรื่องนั้นพอเราสรุปได้อย่างนี้มันก็จบเพราะเราคิดในขณะที่ไม่มีตัวตนในขณะจิตเป็นกลางๆในขณะที่จิตมันตั้งมั่นนี่เราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติสัมปชัญญะมันก็จะมีกำลังขึ้นมาพอสติสัมปชัญญะมีกำลังทีนี้มันก็จะรู้ทำตามความเป็นจริง คนนี้รู้ทำตามความเป็นจริงเลยอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้มันเห็นด้วยจิตเนี่ยมาถึงขั้นนี้มันมันไม่ต้องมีความคิดแล้วจิตเห็นเลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาเลยนี่เรียวว่าขั้นปัญญาละปัญญายานละ พอเห็นความจริงอย่างนี้ท่านว่ามันจะเบื่อหน่ายจิตของเรานี่จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในที่นี้คือไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็ผ่านไปผ่านมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ยึดไปก็ทุกเป่าเปล่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยบางเรื่องเนี่ยมันมีอะไรลุงลังอยู่ในจิตอ่ะพอเรามีสตินะดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไป พอกำลังมันมีขึ้นมาอาริยมรรคเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาระดับหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกไอ้เรื่องที่กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นไร้สาระจริงๆเลยไอ้เรื่องที่มันวนเวียนอยู่ในจิตเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยอเบื่อหน่ายไม่รู้จะคิดไปทําไมไม่รู้จะไปยุ่งกับมันทําไมมันก็สลัดออกเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกําหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย แล้วก็จะเป็นวิมุตต์เนี่ยถ้าอันนี้ท่านพูดถึงธรรมะขั้นสูงก็ถ้าหาว่าเป็นขั้นต้นๆของเราก็คือว่าอย่างแค่อารมณ์อย่างนี้แหละมันมีเรื่องค้างคาอยู่ในใจวนเวียนอยู่ในจิตใจพอเราปฏิบัติไปได้ดูไปดูไปดูไปพอมันยั่งเข้าไปยั่งเข้าไปเนี่ยพอมันมันเห็นจิตตัวเองปั๊บเนี่ยพวกที่กำลังปรุงแต่งอยู่เนี่ย มันเหมือนมันไม่ใช่จิตอ่ะมันเหมือนสิ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเฉยๆเป็นสังขัญละขันนะก็ใช่เนี่ยเห็นมันหายไปจากจิตอ่ะคือจิตไม่เอามาปรุงแต่งอีกต่อไปมันไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราหรือเรียกว่ามันระงับไปมันหายไปมันดับไปพับจิตเบิกบานขึ้นมาสบายขึ้นมาจิตเป็นอิสระขึ้นมาโอ้ยทำห้ มันมันน่าเบื่อหน่ายอารมณ์เนี่ยมันของปลอมไม่ใช่เราเกิดแล้วดับเป็นเพราะจิตของเราเนี่ยกำลังไม่พอมันก็เลยไปคว้าเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาปรุงแต่งอยู่ในจิตสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้กับเราไม่เอามันดีกว่าเนี่ยมันทำให้เบื่อหน่ายคลายวางคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็พ้นไปจากเรื่องนั้น แต่ถ้าหาว่าถึงขั้นสูงสุดมันก็ต้องวีมุดท่นว่าหลุดพ้นไปเลยก็คือเบื่อหน่ายลูกเบื่อหน่ายนามเบื่อหน่ายกายเบื่อหน่ายจิตเห็นว่ามันไม่ใช่เมียมีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยหลุดพ้นไปเลยมิโยนิโสมานสิการเนี่ยมันจึงเป็นธรรมที่สำคัญถ้าหาว่าใครมิโยนิโสมานสิการ คนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นลุงอรุณของผู้ที่จะพ้นทุกข์เป็นลุงอรุณของพันิพานก็นได้เพราะนั้นให้เราสังเกตตัวเองว่าคิดเป็นไหมเอาในชีวิตประจำวันแล้วนี่แหละ แต่ละวันแต่ละวันเนี้ยมันคิดเป็นไหมถ้ามันคิดเป็นมันจะคิดในทางทําให้ตัวเองไม่เป็นทุกข์ถ้ามันคิดไม่เป็นมันจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเอาละวมุดยีดขึ้นมาแล้วคิดว่าเขาขึ้นมาแล้วฮคนนั้นไม่ดีทําไมต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฮเป็นอาโยนิโสมนานสิกา แต่เจอเหตุการณ์ปรับขึ้นมาหันเข้ามาดูจิตเราเนีเนี่ยเนี่ยจะไปยุ่งกับเขาแล้วเหรอดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาตัวเองอะดีแค่ไหนนี่เป็นโยนิสมานสิกาคือมันทําให้กูสนจเจริญขึ้นในจิตใจเรามันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยตรงไปหาความจริงเขาเป็นยังไงก็ธรรมชาติของเขา แล้วทำไมทำไมต้องออกไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยถ้าจะพูดก็ต้องมาปรับที่จิตเราซะก่อนถ้าจะพูดเนี่ยมันต้องมาบอกกับตัวเองซะก่อนจิตเราปกติหรือยังพูดด้วยเมตตาหรือพูดกําลังโกรธหรือพูดกําลังไม่พอใจคุณเคืองคิดดีหรือยังหรือว่าพูดเพอ้อเจอไปมีสติมเมง่อกีหันเข้ามาดูจิตแล้วนะทีนี้จ่อเข้ามาควบคุมจิตล้ ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเจริญก้าวหน้าขึ้นเริ่มมีโยนิโสมานสิการเริ่มมีรู้คิดเป็นเริ่มควบคุมไอ้ความคิดให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบให้สอดคล้องกับความจริงให้กุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตเรามันเล็กๆน้อยๆมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยถ้าคิดเป็นไม่ทุกคิดเป็นเบาสบายเลย มีอะไรเกิดขึ้นเออคนเราเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายไม่มีเยเขาก็ตายเราก็ตายเราทํำไงธรรมะในจิตใจเราเจริญก้าวหน้าขึ้นให้มีที่พึ่งทางจิตใจต า, ตายไปแล้วถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์ก็จะได้มีธรรมะนี่หละเป็นที่พึ่งนี่คิดได้ก็สบายอีกถ้าคิดไม่ได้มันก็สงนอกไปกระทบกระทั่งกันขึ้นมา ตอว่าต่อขานกันทำนิติเตียนกันยกโทษกันเพ่งโทษกันจับผิดกันนี่ลุงลังไปเลยนะมีการมีงานเกิดขึ้นถ้าคิดอย่างนูโยนโสมานิสิการเออดีแล้วเราจะเอางานเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเราดูใจเราสิมันมีความขี้เกียจที่ค้านไหมมันไม่อยากทำมีไหม ในเมื่อมันมีกิจที่ควรทำมันต้องช่วยกันทำเราพอใจทำไหมทำด้วยจิตใจยังไงนี่มีโยนิโสมานสิการถ้ามันไม่อยากทำอ๋อลองฝืนทาสิจิตเราจะเป็นยังไงเราเอาชนะอารมณ์ตรงนี้ได้ไหมนี่ก็มีโยนิโสมานสิการ ทำอาโยนิโสมานสิการก็คิดไม่ในทางที่ใครอยากทำก็ทำหรือว่ารอให้เขาทำเสียก็จะได้เอาบิณฑข้ออ้างว่าคนนั้นทาแล้วเนี่ยเป็นอาโยนิโสมานสิการคือมันไม่เป็นกุศลนะมันต้องไปใน ท, ทางเป็นกุศลทางจิตใจเราจเจริญก้าวหน้ามีเหตุมีผล คิดเป็นระบบไม่มใชโดดโ่โดดนู่นโดดนี่นะคิดต่อเนื่องจนจบอันนี้ก็ต้องหันมาดูจิตของเรามันคิดเป็นระบบไหมวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเลี้ยวมันชนนู่นชนนี่เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตมันคิดเป็นระบบเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันก็จะมีสติกํากับด้วย พูดปั๊บจบปั๊บมันก็หยุดนิ่งดูจิตตัวเองถ้าหาว่าจิตมันมันคิดไม่เป็นระบบเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนั้นไปนี่บางทีลืมเลยเรื่องที่กําลังพูดอยู่เนี่ยมันไปเรื่องอื่นแล้วนี่มันคิดไม่เป็นระบบมันโดดโนนโดดนีมันสัดนสายไปอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตของแต่ละคน มันก็ต้องสำรวจดูตรวจสอบดูเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีโยนิโสมนัสิการเหมือนกันเพื่อให้จิตเนี่ยมันเกิดปัญญาคือถ้ามันคิดถูกต้องมันมีผลทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีความเจริญข้าวหน้าถ้าคิดไม่ถูกต้อง มันทำให้จิตใจของเรามันเสื่อมลงไปทีนี้ถ้าหาว่าเราเนี่ยสังเกตดูแลอพอที่จะรับรองตัวเองได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันมีโยนิโสมนสิการมากขึ้นนี่ก็แสดงว่าจิตใจของเรามันมีความเจริญก้าวหน้าใ้มันสมบูรณ์เลยมันไม่ได้มันต้องฝึกหัด พะพุทธปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนุ่นล่ะทนทุกได้คิดก็คิดอย่ายงมีเป้าหมายอยู่ในสมนสิการคิดเพื่อไม่ให้เรามีทุกเป้าหมายเพื่อดับทุกภายในจิตใจของเราถ้ารู้ว่ามันเริ่มคิดไปในทางเป็นทุกหาทางยับยั้งทันทีเลย บางเรื่องมันคิดยังไม่ออกไม่มีคำตอบก็ต้องหาช่องทางที่ให้มีคำตอบเรียกว่าหาการยานามิตรมีอีกอันหนึ่งก็คือการยานามิตรหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าหนังสือตำราที่เชื่อถือได้เราศึกษาเกิดความเข้าใจขึ้นมามันทำให้เราคิด ได้ถูกต้องมีคำตอบขึ้นมาก็ใช้ได้หรือฟังเนีย่ยก็คือฟังนั่นแหละครูบาอาจารย์หรือว่าหนังสือหรือว่าซีดีธรรมะอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จัดอยู่ในประเภทกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเป็นมิตรที่สามารถ ดับทุกภายในใจเราได้จึงเรียกว่ามิตรที่ดีจริงทําให้มันความทุกข์นี่มันน้อยลงลดลงดับทุกภายในใจเราได้ถ้าการยาณมิตรที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเนี่ยก็าอาศัยพระไตรปิฎกเนี่ยที่มันใกล้ใกล้เคียงที่สุด กับคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมีธรรมะอยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องได้ก็เป็นกาลยานามิตรได้แต่กัลยานามิตรเนี่ยก็คือมีเป้าหมายให้เราเนี่ยพึ่งตัวเองสุดท้ายต้องเข้ามาพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้ก็คือมีโยนิโสมนสิการ คิดเป็นคิดถูกวิธีคิดสอดคล้องกับความเป็นจริงบรรเทาปัญหากิเลสบรรเทากิเลสตัณหาด้วยทำให้ความทุกข์น้อยลงไปจิตใจเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายมากขึ้นเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดปลาโมด คือความรื่นเริงบันเทิงเบิกบานในจิตใจแล้วก็เกิดปิติอิ่มใจแล้วก็เกิดเป็นปัสธิความสงบกายสงบใจแล้วก็เกิดเป็นความสุขสุขกายสุขใจสุขขึ้นมาในภายในจิตใจสติก็จะควบคุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมา นี่คือสมาธิของพระพุทธเจ้ามันเป็นสมาธิที่มีเป็นใจที่ตั้งมันไม่ใช่สงบแล้วก็แช่อยู่เฉยเยนิ่งอยู่กบดานอยู่ไม่รู้อะไรแต่ต้องการพัฒนาจกนกระทั่งเป็นสมาธิที่สงบด้วยแล้วก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รับรู้ได้แล้วก็มี สติสัมปชัญญะมีปัญญาขึ้นมารู้ทำตามความเป็นจริงคือมันจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะนะไม่ใช่ว่าโอ้มันจะเหมือนเดิมเป็นไปตามคำพูดตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะบางวันก็เออมันก็ อยู่เฉยๆบางวันก็เห็นความเกิดดับชัดเจนมีปัญญามีโยนิโสมนสิการบางวันก็เออได้สงบได้พักจิตพักใจออกมาแล้วก็สบายๆเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่สภาวธรรมไม่ใช่นาทีของเราจากนั้นก็เบื่อหน่ายคือเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มันทำให้ใจเป็นทุกข์่ะ ทำให้ใจลุ่มร้อนทำให้ใจสัดสายเนี่ยแหมมันละคายเคืองจิตใจนี่คือจิตใจมันต้องสงบมันต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาอบรมจิตจนกระทั่งมันผ่านไอ้พวกที่มันมันมันทาให้จิตเราละคายเคืองได้ถ้าว่าจิตเรายังไม่เลยมันไปนะมันก็ยังมีอำนาจเหนือใจเราเหมือนเวลาเราเป็นทุกข์อย่างเงี้ยบางเรื่องบางเราไม่น่าจะไปทุกข์แต่ว่า กำลังเรายัางไม่พอกําลังสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเราไม่พอไอ้สังขารพวกนี้มันไม่ดับไปจากจิตเราอ่ะมันไปเกาะอยูอ่นี่คือกําลังเรายัางไม่พอเราปฏิบัติยังไม่เพียงพอมักยังไม่มีกําลังไม่มีพลังแต่ถ้าเราปฏิบัติไปมันมีกําลังขึ้นมาเนี่ยมันเห็นอย่างอารมณ์ปั๊บขึ้นมาโอ้ มันวนเวียนวนเวียนอยู่ในจิตพอเห็นพับอ้าวนี่มันเกิดดับนี่นะพอมันละลายออกไปเท่านั้นแหละโอ้โ ห, หน่าเบื่อหน่ายจริงเลยเนี่ยจิตเรานี่เป็นหลงยึดอยู่ได้เนี่ยเกี่มวกั้งมันมีอิทธิพลต่อใจเราเนี่ยเนี่ยมันมั น, ม, นมันเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความรุ่มหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เกิดวิมุตติขึ้นมาท่านว่า หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรนั่นก็คือต้องปฏิบัติจนกระทั่งมันเห็นรูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นแค่รูปนามเป็นแค่ธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงเด็ดขาดปหารกิเลสได้หมดจดเน ว, วิมุติหลุดพ้นจิตก็บรรลุถึงพระนิพพานนะมีระยูนินโสมนสิกาน ก็เป็นมูลเหตุทำให้จิตเนี่ยเดินทางไปจนถึงความวิมุตต์ความหลุดพ้นถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกคิดให้เป็นมีอุบายแยกคายคิดถูกต้องใส่ใจถูกต้องกับความเป็นจริงมันทุกข์มากๆเออเอา ไหนว่ามันเกิดแล้วต้องดับอ่ะเราจะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะดับนี่ก็เบาแล้วที่คิดได้แค่นี้ก็เบานะถ้าหาว่ามันคิดไม่ออกมันไปจมอยู่กับความคิดอันนั้นวนเวียนไปเวียนมางุ่นง่านงูดกิดเดือดร้อนลำคาญนี่นี่เนยที่คนเราอ่ะมันทุกข์เพราะความคิดที่มันเป็นโลกนั้นโลกนี้ก็ความคิดก็มีส่วน นอกจากจะเป็นโรคทางกายแนะล้วโรคทางจิตด้วยถ้าว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจวิธีแก้ไขอย่างเรากังวลเรากลัวอย่างนี้มันวูบวับวูวาบอยู่ในจิตอะอกระแสจิตของเราพลังจิตของเรามันอาศัยร่างกายอยู่อพอจิตมันกลัวมันซาไปทั่วร่างกาย คนก็ลุกขึ้นมาด้วยบางทียังไม่มีอะไรนะแต่จิตมันหลอกมันหลอกตัวเองก็มีคนลุกบวบเหมือนกับมีอะไรอยู่รอบเลยที่นี่กลัวผีขึ้นมาตกใจขึ้นมาหนักเข้าไปอีกเขาอ่อนเลยที่นี่ถึงมีมาก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดเป็นเขาก็อยู่ของเขาเนี่ย แล้วยิงเราได้ฟังธรรมะรู้ความจริงแล้วถ้าเข้ามาเมื่ อ, อไรต้องการบุญเมื่อนั้นเราแค่เอาบุญให้ก็พอแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเรานอกจากเราสร้างความกลัวขึ้นมาความกลัวนั่นแหละมันเล่นงานเราเนี่ยมันก็คิดเป็นขึ้นมาเลยมันก็ยังไม่กลัวผีดิแต่คิดไม่เป็นเนี่ยโอ้ตรงนั้นมืดมืดตุ๊ดตื้อเลย มีต้นไม้ด้วยมีลมด้วยโอ้ยเราเดินไปเราต้องผ่านเกินมันโผขึ้นมาทำยังไงเนี่ยคิดให้ตัวเองเป็นทุกอย่างเงี้ยคิดให้กลัวสมัยเป็นเด็กจำได้นะเวลาบางทีก็กลับจากนาเนี่ยมันมืดคำ่ำมันต้องผ่านต้นโพต้นโพต้นใหญ่ด้วยนาะโอ้ํจำได้วันนี้ต่อสู้กับตัวเองมากเลยนะมันจำได้นะ เ, เข้าไปตรงนั้นมันจะกลัว ระวังแต่มันจำเป็นต้องผ่านมันก็ผ่านได้อยู่นะแต่มันทุกครั้งที่ผ่านมันจะกลัวต้นโพมันต้นใหญ่หือคิดถึงผีนี่แหละแต่มันก็พอผ่านไปได้บางคนไม่ไม่ผ่านนะบางคนต้องหาเพื่อนให้เรานี่ผ่านได้นัมันก็มันก็มีสติสัมปัญญาตั้งแต่ยังเด็กมันไม่ไม่ได้ฝึกแต่มันเห็นมันเห็นมันเห็นอาการของจิตเรา มันเป็นอัตโนมัติมันก็จดจำได้ น, นี่นี่แหละคือมันไม่ไม่มีโยนิโสมนสิการคิดไม่เป็นแต่คิดเป็นก็เออเอาบุญให้นะรับบุญแล้วก็เออให้มารักษากันแล้วกั น, น ย, ยิ่งสบายใหญ่เลยทีนี้ ม, มีผู้ช่วยเป็นใครก็ตามเาเอาบุญให้ ต้องการบุญรับไปเลยอย่างนี้ก็คิดเป็นหรือเลาจะฝึกจิตของเราความกลัวเนี่ยมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่จิตเราเพราะจิตเราเป็นผู้รู้อย่างนี้แสดงมันสูงขึ้นแล้วมันไม่ต้องไปพึ่งวิธีการอย่างอื่นเลยปัญญาจ่ออบรมจิตอย่างเดียวเลยให้จิตวางอย่างเดียวเลย เราก็เคยเป็นผีมาละอย่าเกิดก็เกิดให้จิตเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นกายก็ไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานีเร็วอ่าสูงขึ้นเลยเอาความจริงมาสอนจิตได้นิโยนิสงมาในสิการที่สูงขึ้นสุดท้ายความกลัวก็ดับไปพอเห็นมันเกิดเห็นมันดับเบาเลยนะ คือพอพูดเรื่องความกลัวนี่เคยไปอยู่ในป่าช้าเป็นเดือนเดือนโอ้โหกลางคืนมานนี่อย่าบอกใครเลยนะอิทธิพลของป่าช้าเนี่ยเย็นยาเยือกเลยเงียบส ง, งัดเลยนะไม่มีมนุษย์เข้าไปเลยอหรือว่าไม่เคยมีมนุษย์ผ่านเข้าไปเลยในตอนที่ไปอยู่เนะั้นคืออิทธิพลของป่าช้าเนี่ยพอเริ่มเย็นเย็นเนี่ยแปลกนะเย็นเย็นมันจะเป็น เริ่มเยอะขึ้นมานะคนลุก้นชันบูบ่าบูฟ่าว่าก็แปลกดีนะทำไมมันต้องเป็นตอนหัวค่ำทันที่ยิงกลางวันกลางวันของพวกผีนี่มันมันก็ยาวนานนะนี่อ่านเจอในไหนเนาะวันหนึ่งของเขาเนี่ยมันมันกี่ปีของเรานะมีด้วยนะมันไม่ได้เป็นวันเหมือนเหมือนของเรานะผีวันของเขา มันกับวันกลางวันของเขานี่ยึงวันยี่สิบห้าปีใไหนของเรากลางคืนของเขาคืนหนึ่งของเขาก็ยี่สิบห้าปีของเราเพราะนั้นวันคืนของเขากคือห้าสิบปีของเราเนี่ยอายุยืนนะพวกเนี้ยอายุยาวนานนะพวกผีเนี่ยสรุปแล้วถ้าคิดเป็นเนี่ยได้ประโยชน์เราคิดไม่เป็นเนี่ยเสียประโยชน์คิดเป็นก็เป็นกุศลคิดไม่เป็นก็เป็นอกุศลคิดเป็นคลายออกจากทุกข์ คิดไม่เป็นเนี่ยเกิดเป็นทุกกุ้มลุมการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยคิดเป็นคิดถูกได้เปรียบนะคนที่เยดีดีได้ยินได้ฟังธรรมะบ่อยๆอย่างเงี้ยความคิดความอ่านจะแตกต่างนะพวกคนที่เขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคิดไม่เป็นนะคิดไม่ออกเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างความคิดจะต่างกันมุมมองภายในจิตต่างกัน ลองให้ดูตัวเองนะดูตัวเองสักระยะหนึ่งเตรียมตัวนะเตรียมตัวตั้งสติดีๆสำรวจดูให้รู้ตัวทั่วพร้อมมีเรียกสติสัมปชัญญะขึ้นมากายอยู่ยังไงเอาตัวสติเอาจิตเราเนี่ยมาจับดูความรู้สึกทั่วกายน่ยเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ขยายความรู้สึกตัวให้มันกว้างขึ้นก่อนที่เราจะออกจากการปฏิบัติเนี่ยระหว่างที่จิตเราดูที่เดียวหรือว่าดูแคบๆกับการที่ให้จิตของเราดูกว้างๆมันเป็นยังไงดูกว้างๆดูตั้งแต่หัวจดเท้ามันทำได้ไหม ทำได้เร็วหรือทำได้ช้าหรือว่ามันปป๊บเดียวได้เลยหรือมันดูได้อยู่แล้วเนี่ยมันต้องรู้จักสิกำลังจิตของเราถ้ามันยังดูไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังสติสมาธิเรายังไม่มีกาลังยังทำไม่ได้ดูแล้วจิตก็จะเป็นผู้ดู นอกนั้นก็เป็นสิ่งทุกดูสอบสวนเข้าไปแล้ต่อไปก็เอาอุทิศบุญ สัมมาสัมพุทธาประชกายโดยพระองค์เอ